เว้นบาปเหมือนเว้นยาพิษและทางมีภัยพระพุทธภาษิตวานิโชวะพยังมักังอั ป, ปะสะโทมหัตโนวิสรงชีวิตุกาโมวะป่าปานิปริวัติเยแปลความว่าบุคคลพึงเว้นบาปเหมือนพ่อค้าผู้มีพวกน้อยมีทรัพย์มากเว้นทางที่มีภัยและเหมือนบุคคลผู้รักชีวิตเว้นยาพิษเสียฉะนั้นอธิบายความได้พนานามาแล้วในเรื่องตน้นต้นว่า บาปน่ากลัวอย่างไรควรตังเกตอย่างไรให้ทุกอย่างไรในที่นี้จะพนานาถึงวิธีเว้นบาปพอสมควรแก่เรื่องราวประการแรกผู้ปฏิบัติธรรมพึงพิจารณาให้เห็นโทษของบาปว่าเป็นสภาพอันต่ำซามเป็นมูลเหตุแห่งทุกข์ทั้งในโลกนี้และโลกนาพิจารณาให้เห็นภายในอวัยภูมิมีนรกและคำเนิดสัตว์ดิรัชานเป็นต้นว่าความทุกเหล่านั้นเกิดเฉพาะแก่ผู้มีบาปผู้ไม่มีบาปหาได้รับทุกเช่นนั้นไม่ ประการที่สองเมื่อจิตได้พิจารณาเห็นโทษของบาปอย่างแท้จริงดังนั้นแล้วพึงพิจารณาถึงตนว่าโดยกำเนิดการศึกษาอายุสิ่งแวดล้อมการอบรมเกยียติยศอิสระยะยิยยศและบริวารยศเป็นผู้ไม่ควรทำบาปเพราะได้กำเนิดดีแล้วคือกำเนิดเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาหากทำบาปลามกชาต่อไปจะต้องตกลงไปในกาเนิดต่าเช่นนรก และกำเนิดสัตว์แต่ละชันเป็นต้นพบเหล่านั้นยากแก่การทําความดีถอยหลังลงไปมากยากแก่การตั้งต้นใหม่เมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมีโอกาสได้ศึกษาแล้วก็ควรรักษาฐานะของตนไว้หรือส่งเสริมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ควรให้บาปลากลงไปในทางต่ําอันหนึ่งอายุของคนเราก็ไมายืนยาวเท่าไรนักไม่ควรพลาดเสียโดยการทําบาปควรให้อายุล่วงไปด้วยคุณงามความดีจะได้ไม่เสียใจภายหลัง การศึกษาที่ลงทุนลงแรงกันก็เพื่อให้คนเป็นคนดีการทำบาปเป็นค่าศึกษาความเป็นคนดียิ่งทำบาปมากเท่าใดความเป็นคนดีก็ลดน้อยลงเท่านั้นทุนรอนที่ลงไปในการงานศึกษาก็เสมือนศูญย์เปล่ายิ่งมีผลร้ายเสี อ, อีกเพราะศึกษามากตลาดรอบรู้มากแต่จิตใจไม่มีทำย่อมหาโอกาสทำบาปได้มากเกียรติยศเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตคนเพราะทำให้สบายใจในสังคม อิสริยยศให้ความสะดวกความคล่องในการบริการยศก่อให้เกิดความอบอุ่นใจเหมือนอยู่ในหมู่ญาติยศเหล่านี้ย่อมถูกความชั่วทำลายได้หรือสามารถสิ้นไปได้เพราะการประกอบความชั่วแต่ย่อมเพิ่มพูนขึ้นด้วยการประกอบกรรมดีอ น, นึง่งบุคคลควรพิจารณาถึงตนว่าบัดนี้เรากําลังเวียนว่าอยู่ในสังสารทุกข์ต้องเกิดแก่เจ็บตาย มีความโศกเศร้าเสียใจติดตามผัวพันธุ์อยู่ในชีวิตไม่ได้วางเว้นฉะไหนหนอเราจะพ้นจากทุกได้เราควรเว้นบาปทุจริตทั้งปวงเพื่อความพ้นทุกขการปราลบลตนแล้วเว้นบาปบำเพ็ญความดีอย่างนี้ท่านเรียกว่าอัตตาธิปไตยประการที่สมควรระลึกถึงมารดาบิดาครูอาจารย์ญาติพี่น้องตลอดถึงนิสหายที่เป็นกระยาณมิตรว่าถ้าเราทําความชั่วจนต้องเสียชื่อเสียงหรือต้องเสียคนไป ถ้าเหล่านั้นจะเสียใจเพียงใดโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งพ่อแม่ท่านจะเสียใจมากกว่าคนอื่นเพราะท่านกล่อมเกลี่ยงเลี้ยงดูมาด้วยความเหนื่อยยากลําบากเสียสละทั้งกําลังกายกําลังทรัพย์กําลังสติปัญญาและกําลังใจทั้งมวลมุ่งปลูกฝังลูกตั้งความหวังไว้ว่าจะได้ชื่นชมความดีของลูกแต่กลับได้ยินได้ฟังแต่เรื่องชั่วร้ายของลูกลองตรวจดูเถิดว่าท่านจะผิดหวังเพียงใดปวดร้าวใจเพียงใด เป็นการทำลายจิตใจของท่านเพียงใดการสั่งสอนปลูกฝังคนได้ดังใจนั้นเป็นความสุขใจอย่างยิ่งประการหนึ่งในทางตรงกันข้ามก็ต้องพบกับความเสียใจอย่างยิ่งเช่นกันการพิจารณาถึงผู้อื่นแล้วเว้นความชั่วประพฤติความดีอย่างนี้ท่านเรียกว่าโลกาธิปไตยประการที่สควรระลึกถึงธรรมที่พระ เ, เจ้าและบัณฑิตทั้งหลายได้แสดงไว้เป็นธรรมอันธรรมผู้ปฏิบัติตามให้พ้นทุกได้จริง ส่งสอนให้เว้นบาปก่อนเป็นการป้องกันเหมือนป้องกันเชื้อโรคไม่ให้เข้าสู่ร่างกายส่งสอนให้ทําความดีให้พร่างพร้อมเหมือนการบำรุงร่างกายให้แข็งแรงด้วยอาหารและอากาศอันมีประโยชน์และออกกําลังกายพอสมควรส่รงสอนให้ทําจิตให้บริสุทธิ์สะอาดเหมือนการทําใจให้แจ่มใสชื่นบานบุคคลผู้ไม่มีโชคมีร่างกายแข็งแรงมีใจแจ่มใสย่ยอมมีความสุขชันใด ผู้เว้นบาปทำความดีมีใจบริสุทธิ์ปราศจากทุลีคือกิเลสย่อมมีความสุขชั้นนั้นการระลึกถึงทมเว้นบาปและทำความดีเพื่อทาอย่างนี้ท่านเรียกว่าธรรมมาธิปไต่ประการที่5เมื่อเริ่มเว้นหรือละบาปในครั้งแรกอาจใช้วิธีตะทางคะปหารคือการละเป็นครั้งคราวเช่นการเลิกสูบบุหรี่ทีแรกๆอาจสูบบ้างเลิกบ้างเพื่ออย่างกำลังดู ไม่เห็นว่ากําลังดีแล้วก็ลองเลิกติดต่อกันานานๆประการที่6วิธีที่เลิกละอะไรบางอย่างติดต่อกันได้นานๆด้วยการข่มไว้ไม่ให้กําเริกท่านเรียกว่าวิขำพนะประหารตัวอย่างการข่มกิเลส ด, ด้วยอํานาจชานเหมือนศิลาทับญ่าหรือเหมือนโรคบางอย่างที่หลบซ่อนอยู่ไม่แสดงอาการให้ปรากฏภายนอกประการที่เจการเลิกบาปโดยเด็ดขาดตัดรากทั้งปวงไม่ให้เกิดขึ้นอีกทําลายด้วยอริยมรท่านเรียกว่า สมุดเฉตประหารแปลว่าละโดยเด็ดขาดอันหนึ่งวิธีการละความชั่วหรือบาปทำทั้งมวลย่อมดำเนินตามหลักคือเห็นโทษอาดีนวังปสติบันเทาวินโนเดติจะให้สิน้นวยญญตีกโรติมิให้เกิดขึ้นได้อีกอนาภาวังกะเมติพานานาวิธีละความชั่วมาพอสมควรแล้วต่อไปจะได้กล่าวถึงเรื่องประกอบ หรือเรื่องอันเป็นเหตุให้พระศาสดาทรงแสดงธรรมนี้พระธรรมเทศนานี้พระศาสดาทรงแสดงที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปราลบพ่อค้าผู้มีทรัพย์มากมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องมหาทนวานิชพ่อค้าคนนี้เป็นชาวเมืองสาวัตถีมีทรัพย์มากพวกโจรพยายามปล้นบ้านหลายครั้งแต่ไม่สำเร็จเพราะการคุ้มกันรักษาแข็งแรงไม่ประมาทต่อมาพ่อค้านั้น จะเดินทางไปค้าขายต่างเมืองด้วยขบวนเกวียนชนนร้อยเนื่องจากมีศรัทธานในพระพุทธศาสนาจึงประกาศให้ภิกษุทั้งหลายทราบว่าตนจะเดินทางไปเมืองนั้นๆภิกษุรูปใดประสงค์จะเดินทางไปด้วยก็ขอนิมนต์จะไม่ลำบากด้วยข้าวปลาอาหารภิกษุชนวนร้อยร่วมเดินทางไปกับพ่อค้านั้นพ่อค้าออกเดินทางแล้วไปพักอยู่ใกล้หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ปากดงจัดแจงโคและเกวียนให้เรียบร้อย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 เห็นพ่อค้าเป็นคนดีจึงบอกความที่โจรกำลังดักป้นอยู่ในดงขอให้พ่อค้ากลับเสียอย่าเดินทางต่อไปเลยพ่อค้าเชื่อบุรุษผู้นั้นจึงเตรียมตัวกลับบ้านทีนั้นลูกน้องโจรเห็นพ่อค้าไม่เดินทางไปทางนั้นจึงมาสอบถามด้วยอีกทรากความแล้วไปบอกหัวหน้าโจรพวกโจรจึงพากันไปดักอยู่อีกทางหนึ่งชายชาวบ้านได้บอกพ่อค้าอีกด้วยความกรุณาพ่อค้าพิจารณาแล้วคิดว่า ควรชะงดการเดินทางหยุดอยู่ที่นั่นจนกวาน่าแน่ใจว่าจะปลอดภัยจิงค่อยไปจึงประกาศให้ภิกษุทั้งหลายทราบว่าตนไม่สามารถเดินทางต่อไปได้เพราะโจรคอยดักพร้นอยู่พระคุณเจ้ารูปใดประสงค์จะอยู่ก็ขอให้อยู่กับตนรูปใดประสงค์จะไปก็ขอนิมนต์ไปเองภิกษุจํานวนมากขอกลับไปเมืองสาวัตถีเมื่อถึงเชตวันารามแล้วเข้าเฝ้าพระาศาสดาทูลเรื่องราวทั้งปวงให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายพ่อค้าผู้มีทรัพย์มากย่อมเว้นทางที่มีภยัยมีโจรภัยเป็นต้นอนหนึ่งบุคคลผู้รักชีวิตย่อมเว้นยาพิษเสียฉันใดภิกษุทั้งหลายก็เช่นกันพิจารณาเห็นว่าพบทั้งสามเป็นเช่นกับผลทางที่ผูกโจรส้มอยู่แล้วควรเว้นกรรมชั่วทั้งหลายเสียดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าวาณิโชวะพยังมักังเป็นอาทิมีนัยยะดังพรนานามาแล้วแต่ต้น อธิบายเพิ่มเติมพบสามได้แก่1กรรมภพคือพบอันเกี่ยวด้วยกรรม 2. อรูปภพบพบแห่งผู้ได้รูปฌาน 3. อาอรูปภพบพบแห่งผู้ไดอรูปฌาน